เราจงร่วม เวลา 8 นาฬีกา shop i รอซูรอซูรอซู you may shop i รอซูรอซูรอ We give, we give, we give, we give. We give, we give, we give, we give. We give, we give, give, give. We give, we give, we give, we give. We give, we give, we give, give. We give, we give, we give, we give. We give, we give, ชุด กําลังมีปัญหาทางด้านการศึกษาอย่างนี้บ้างหรือเปล่าป้าเป็นแม่บ้านอยากมีความรู้ทางกฎหมายไว้บ้างอายุอย่างป้าเรียนได้ไหมคะ 2ใบทําได้หมครับ แลดููกับเพื่อนอยากเรียนภาษาอังกฤษกับภาษาจีนเพื่อการสื่อสารแต่ไม่มีเวลาไปนั่งเรียนทําไงดีค่ะผมกําลังอยู่ชั้นมัธยมอยากจะเรียนปริญญตรี่วงหน้าเวรอเลยได้ไหมครับแล แล้วยังผมจบแค่ม. 3 4 ปีเลยได้มีขาพุกปัญหาทางด้านการศึกษาทาง <c oughs> ไกลเรามีคําตอบให้กับมหาวิทยาลัยเปิดดี้เด่นของโลกมหาวิทยาลัยสุโขทัย 5, 5. หรือที่ www.stou.ac.th แหล่ง ทุกคนทุกพื้นที่ทุกเวลา FM 90.25 MHz สวท. นครพนมมือ ขับขี่ปลอดภัยถ้า 1 1 พบเห็น 1669 ด้วยความโทรสายด่วนบัตรทอง 1330 ที่วันที่ชาติและองค์ราชาพัน ขอดู 9 ปี เพราะเราจะทําตามสัญญา 2, ญญ า, พ2พ20 จังหวัด 95 สถานีขอเชิญทุกวันในเวลาราย น. าร, น. ฟังเรื่อง สวัสดีครับท่านผู้ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือบอสิเป็น มูลนิธิสถานี FM 100.25 ครับ ซึ่งเป็น 2 โดยพลโท 2 ท่านได้มีนโยบายให้จัดรายการอีสาน 31 เดือนกรกฎาคมปีครับ วันนี้ สวทช. ศรีสะเกษเป็นแม่ข่ายโดย 115 แห่งกว่า 3,000 คน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษครับครับท่าน 3 แล้วครับที่รายการ 20 จังหวัดภาคอีสาน มื้อเร 2 เรื่องครับพี่น้องเอา 2ๆเนาะตามนโยบาย อ่าอย่างแรกครับที่อยากครับเรื่องนี้ <ค>ครับนะครับๆคือจังหวัดเช่นปุ๋ยปุ๋ยที่เอาใช้กับข้าวนี่นะบ่ว่าสูตร ค่าลดเกี่ยวเข้านี่ก็เจรจากันคุยกันลดลงเอ่อนอกจากนั้นค่าชาว ค่ารถเกี่ยวเข้านี่ 50 บาทต่อไร่ลดลงค่าชาว เฮ็ดจังได๋ครับจังหวัดศรีสะเกษเฮาครับ 29 ไป แล้วก็เอ่อพี่น้องประชาชนกลุ่มเกษตรกรต่างๆไปรวมกัน เป็นอันนี้ก็มีเป้าหมายชัดเจนแยกส่วนย่อยอยู่ศรีสะเกษครับอันบาทครับนี่ได้คุยครับเอ่อที่สําคัญๆเอ่อกลุ่ม นะครับกลุ่มตัวอย่างครับเขาปดศาลได้ ทุนจังได๋นะครับท่านผู้ว่าธกสออกไป ใน 1 บาท 30 บาทแล้วแต่ไอ้ความเสี่ยงน้อยความเสี่ยงสูง สิสิซอยเหลือนอกจากนั้นครับนอก กลับไปแนะนําวิธีการเฮ็ดบัญชีต้นทุน เลี้ยงกบในนาข้าวแปลงว่าเฮ็ด โอ้ได้เห็นๆนี่ บ่ๆไปให้เขาอย่างน้อยอําเภอละจุดค่ํา นะครับอันนี้เป็นๆขึ้นได้มีกํานะนะ ล익 มาร่วมฟังครับนี่คือช่วงของรายการอีสานมวลสืนคืน แก้ไขได้แน่บ่บ่ได้แน่อึดอัดอีหยังก็หาทางออกบ่มีค่ํา หลายรูปแบบหลายทั้งเรื่องความต้องการทั้งเรื่องความเดือด 21 กรกฎาคม รวมแล้วนะครับมีการบันทึก 47 เรื่อง 47 เรื่องเข้าประมาณนี้เดี๋ยวถามว่าศูนย์ดํารงธรรม กะตลอด 24 ชั่วโมงตลอด 24 ชั่วโมงครับเอ่อถามว่าเบอร์โทรศัพท์อีหยังนี่ คือง่ายเนาะครับทํางานของไผของผู้นั้นผู้นี้ ฝนตกน้ําท่วมหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมอยากสิฮู้ เฮาสิปกปิดอันใดสิ เอ่อข้อมูลอยู่กับศิริเกศแล้วเอาไปถามศิริเกศ ดำเนินการให้ก็ 30 มื้อคุณต้อง 30 มื้อครับ <ำ. S 1> 30 มื้อเขาก็ อันนี้เป็นแนวทางการทํางานของกระทรวงมหาดไทย 21 จน 47 เรื่องนี่เรื่องครับยังค้า 45 เรื่องย่อๆเด้อครับพี่ อันอูลอดเสียงดังเออเลี้ยงไก่เลี้ยงหมู 23 เรื่องคุณต้องจำครับนะครับอันเรื่องแปล 3-4 เรื่องผมเบิ่งล่ะครับนะครับเรื่อง เดือดร้อนจากการไปบุกลูกทีล่ะถูกจับถูกกุม เรื่องร้อนเรื่องนั้นเหลืออยู่เก้าเรื่องก็นั่นนั่นการ ทางบ้านอยู่สีครับครับ ตะกี้นี่ก็เคยมีศูนย์ดำรงๆนี่ก็ ของจังหวัดศรีสะเกษเอ่อไว้เท่านี้ซะก่อนนะครับพี่น้องครับเอ่อใครมีปัญหาเดือดร้อนหยังก็ต้องคือบ่แก้เอง นะครับผมก็ไปแต่เช้าไปเบิ่ง อันคั่นรับเรื่องโรงเรียนเสร็จคั่นเดือดร้อนแจ้งปัญหายา ครับนะครับอันนี้ถามว่าเจ้า ท่านเขาแก่บ่ได้เขาก็สิโทรหาหัว 2 เรื่องใหญ่ๆเท่า ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับครับท่านผู้ๆ ขอบคุณสถานี 20 จังหวัดภาคอีสานภายใต้การควบคุมรายการ ควบคุมการผลิตรายการ 2 ที่ www.army2.mi.th รายการอีสานมวลสื่อคืนความสุขให้แผ่นดินโดยผมทองอาจารย์สีสุธรรมสวัสดีครับ